ขอรอบน้อมต่อคุณพรตะตนตรไลขอกระเพื่อสาธารณทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชี้ระยะที่ทำทุกท่าน <c oughs> นั่งตามสบายๆเนาะ <c oughs> ช่วงนี้ก็มีคนจีนเนาะมาปฏิบัติธรรมกันหลายคนนะมีทั้งมาบวชเป็นพระไม่ชีนะแล้วก็ปฏิบัติเป็นแบบญาติโยม <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าก า, าราจเจริญของบูตสนาเนะทุกวันนี้ก็แพร่หลายไปในต่างประเทศนะและอย่างหนึ่งนะคนที่มาจากต่างประเทศนี่ส่วนใหญ่นะจะมีความตั้งใจดี <c oughs> มีมีความาความเพียรมีความาขยันแล้วก็จเจ้าความเข้าใจ ในหลักการของผู้ศาสนาเป็นหลักนะจะไม่ค่อย <c oughs> ติดในดเรื่องเปือกนอก เ, อเท่าไหร่เนาะเ <c oughs> พราะนั้นก็ไม่แน่ว่า <c oughs> ต่อไปในอนาคตนะถ้าคนไทย <c oughs> ไม่ค่อย <c oughs> สนใจไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติธรรมกันนะทำเหมือนกับอยู่แล้วก็ใกล้เกือกินด่างทานองนี้เนาะอนาคตไม่แน่ว่าจะต้องไปศึกษาธรรมะ ขับต่างประเทศหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอืสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นายไม่นอนใช่ไหมยังสมัยก่อน อ, อินเดียอินเดียเนี่ยก็มันก็เป็นแหล่ง <c oughs> ที่เอ่ชาวต่างประเทศต้องไปศึกษาพูทธานากันจนมีมหาวิทยาลัยนารันทาเนา ะ, ะพระถังสัมจัง๋ง <c oughs> หรือว่าองค์ต่างๆก็ไปศึกษาที่อินเดียนะแต่ทุกวันนี้ <c oughs> ก็ ฝูญหายไปนะเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ก็พเพียงแตเป็นการเริ่มต้นในอินเดียเท่านั้นเ <c oughs> นาะเพราะนั้นก็ไม่แน่ว่าออคนไทยถ้า ย, ยังไม่ตั้งใจจริงอาจจะต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศก็ได้เนาะเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเชนนี้เราก็ให้ใช้เวลาในตรงนี้ <c oughs> ในการที่ว่าเร า, าจะตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้เข้าถึงพระสุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะ การมาทําก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆเนาะอยู่ที่กายและใจเรานี่แหละเราเรามีกายและใจอยู่ที่ไหนเราก็แบบทํานี่นั่นนะตามรู้กายตามรู้ใจอ่าตามความเป็นจริงนะคราวนี้เราตามความเป็นจริงก็คือเรารู้ในแต่ละขณะปัจจุบัน <c oughs> ที่เกิดอะไรขึ้นในกายและในใจของเราเนาะ เป็นเป็นสิ่งที่แสดงความจริงของเราในขณะนี้เรานั่งอยู่นะเราก็รู้ว่าเรานั่งเนะี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้ว <c oughs> หรือเราได้ยินเสียงนะเราก็รู้ว่าเราได้ยินเสียงก็เป็นการปฏิปบัติธรรมในปัจจุบันแล้ว <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นในทางกายนะเราอาจจะรู้สึกหนาวๆ <c oughs> เราก็รู้ไปตามความเปนจริงว่ามันหนาวเนาะ มันหิวก็รู้ไปนะมันปวดเมื่อยก็รู้ไปนะสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ปรากฏขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องอาศัยความคิดแต่อย่างใดเนาะหรือเราอาจจะรู้เนือรู้ตัวนะโดยการอมีการสร้างการเคลื่อนไหวให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้นะบางท่านอาจจะนั่งยกมือสร้างยางว่าหรือว่า เอามือขยับ <c oughs> ได้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เรียกว่าเรากลัารู้สึกตัวรู้รู้รตัวได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะเป็นการที่เรียกว่าให้เราอยู่กับปัจบันนั่นเองเนาะให้จิตมีเครื่องอยู่ <c oughs> จิตมีเครื่องอยู่แล้วเขาก็จะไม่ไปไหนไกลนะ <c oughs> ไม่ไปไหนนาน ถ้าใจไม่มีเครื่องอยู่เขาก็จะไปที่ไหนได้รวดเร็วแล้วก็ไม่กลับมาเร็วนะเพราะใจมีสภาวะที่คิดไปอในรถต่งตางๆนะคิดไปแล้วก็ยาวไกลนะถ้าไม่มีเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งให้เป็นเครื่องรู้ <c oughs> เครื่องอยู่เขาเขาก็อจะกลับมาช้านะเหมือนกับเหมือนกับบัวนะบัวถ้าไปปล่อยไว้กลางทุ่งนาเนี่ยบัวก็จะไปเรื่อยๆนะ หากินไปเรื่อยๆเนาะเราก็บางทีก็หาวัวไม่เจอค <c> ร <oughs> าวนี้ถ้าเรามีอเชือกผูกหน่อยวัวก็ไปไม่ไกลนะก็อยู่แถวๆเชือกนั่นแหละนะอันนี้ก็เครื่องรู้ของจิตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะเขาก็จิตก็ไปไม่ไกลนะเมื่อเรามีเครื่องรู้ขึ้นมาเขาก็อยู่อนะบริเวณนั่นแหละที่เรารู้สึกตัวอยู่นะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็รู้เนื้อรู้ตัวไปในขณะปัจจุบัน นะมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรา <c oughs> ไม่ต้องใส่ความคิด <c oughs> เ, ปเป็นแค่การรู้เท่านั้นเองนะพอปัจจุบันนี้เราก็ไม่ต้องรู้เออไม่ต้องคิดเพราะว่าอย่างเรานั่งเราก็ไม่ต้องคิดว่าเรานั่งนะแต่มันก็เป็นความจริงนะหรือเราสร้างจังหวะก็ไม่ต้องคิดว่ากาลังสร้างจังหวะแต่เป็นความจริง <c oughs> แต่ถ้าเมื่อวานเราเราับประทานอาหารกับอะไรเราต้องไปคิดนะ หรือยัดนี้จะทำอะไรเราก็ต้องม่คิดนะเพราะว่านั้นเป็นอดีตหรือนาคซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วนะมันก็เป็นความจริงในอดีตนะอันนก็เป็นความจริงแต่ในปัจบันมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงนะมันก็เป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองนะสิ่งเหล่านี้ที่มัน <c oughs> คิดไปเพรามว่ามันจะเป็นเรื่องของอดีตหรือนาคตเป็นส่วนใหญ่นะหรือเรื่องใจที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองนะมันหลุดจากปัจจุบันไป <c oughs> มันหลุดจาก ปัจจุบันคือความที่เรารู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละมันอยูนจุอยู่ที่ว่าเราจะระลึกได้ไวไหมใช่ไหมเราจึงไม่ไปห้ามความคิดนะอ่าสิ่งต่างๆการมาทํานี่ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเราจะไม่ไปจัดการอะไรกับเขาทั้งสิ้นะการที่เรารู้ความจริงไปนี่แหละเขาก็จะแดงความจริงให้เราปรากฏขึ้นมาในความที่เราว่าราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะ นะแต่ถ้าเราไปบังคับเขาก็กลายเป็นว่าเป็นตัวเป็นตนที่เราไปบังคับเขานะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้ความจริงได้บ่อยๆนี่แหละจิตก็จะเริ่มอนะเข้าใจและเห็นพไตยรักษได้มากขึ้นเรื่อยๆนะเพระาะการปฏิบัตธรรมนั้นมนก็เพื่อให้เห็นพไตรักษเท่านั้นเองนะนะคราวนี้เราเราก็ต้องมีพื้นฐาน <c oughs> ในการรู้สึกตัวนะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันมันว่องไวนะถ้าเราไปดูใจอย่างเดียวมันก็ บางทีกำลังเราก็ไม่พอ <c oughs> เราก็ไปเพ่งเอานะไปคอยดูจิตดูใจนะถ้าคนที่อมีกำลังของใจไม่พอแล้วก็ไปไปไปไปเพ่งเราส่วนใหญ่นะไปเพ่งก็ทำให้มีความตึงความเครียดความหนัก <c oughs> ต่างๆเหล่านี้ตามมาเนาะ <c oughs> ครา้ น, นี้เราก็มาดูกายเราง่ายๆเนาะเดินนะเดินรู้วเดินนั่งลั้วนั่งนอนรู้วนอน ยืนรู้ว่ายืนนะยืนเดินนั่งนอ น, นะเป็นอิริบทที่เรา <c oughs> สามารถที่จะอยู่ในสิ่งเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะเพราะคนเราก็มีแค่สี่อิริบทนี้เท่านั้นนะมันไม่ได้มีหลายอิริบทก็รู้ไป <c oughs> ตามความเป็นจริงนะสิ่งเหล่าเนี้ยนะถ้าเรารู้ได้มันก็กลายว่าเราก็รู้ได้บ่อยๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวอพระก็ไปบินนบาแล้วก็ร <c oughs> ู้ไปนล้ในขณะเราเดินไปบินนบาศนี่แหละมันก็ เป็นสิ่งเราสามารถรู้สึกตัวได้เนาะไปเข้าห้องน้ํานะตรงเนี้เป็นสิ่งเราสามารถทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนนะใครๆก็ต้องยืนเดินนั่งนอนนะเราก็กลับมารู้ในตรงนี้นั่นแหละ <c oughs> ก็สมัยหนึ่งก็มีพรามณ์ถามพระเจ้าว่าอ <c oughs> นะท่านอสามารถที่จะนะขา้ามหกคากได้อย่างไรนะพระเจ้าบอกว่านะตถาคตยืนเดินนั่งนอน พรามณ์ก็ <c oughs> ก็มีความยิ้มเยาะบอกว่าชาวบ้านก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะพระเจ้าบอกไม่เหมือนกันเรายืนก็รู้ว่าเรายืนเราเดินก็รู้เราเดิน <c oughs> เรานั่งก็รู้เรานั่งเรานอนก็รู้เรานอนนะอันนี้าพามก็เลยยอมรับนะว่าชาวบ้านเขา <c oughs> เขายืนเดินนั่งนอนแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เรา นะอยู่ในที่ปัจจุวันแล้วนี่แหละมันมันเมื่อมันไม่รู้มันก็กลายเป็นความหลงไปนะเราหลงในการที่ไม่รู้กําลังทําอะไรอยู่นะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะทําด้วยความเคยชินนะแม้แต่การเดินนี่แหละเราเดินมาตลอดชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าเราเดินนะขณะเราเดินเราก็คิดไปนะหรือส่งจิตไหลออกนอกนะไปมองบ้างนะไปได้ยินบ้างนะไปฟังไหลเข้าไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเนะ ไม่ได้กลับมาอยู่ว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่นะตรงตรงนี้ก็เป็นการที่เราว่าเราเราหลงไปเนะแต่การที่เราหลงไปนั้นนะเป็นเป็นความเคยชินเป็นส่วนใหญ่นะเราส่วนใหญ่เอถ้าครูพิจารณาไม่ได้มาชี้ตรงนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้หรอกว่านี่มันหลงไปเนาะมันก็รู้สึกมันก็สบายสบายเดินสบายสบายเล่ น, ลนๆคิดนู่นคิดนี่ไปมีความสุขจากความคิดติดต่างหากเนาะ แตเมื่อผู้เจ้าได้ได้ชี้กลับมาแล้วก็เข้าใจว่อตรงนี้มันมันหลงไปแล้วนะเนี่ยมันไหลเพลิดเพลินไป <c oughs> ในอารมณ์ต่าง <c oughs> <c oughs> การ <c oughs> การที่มันไหลเพลิดเพลินไปในอารมณ์ต่างนั้นนะอ่นะบางคนที่ไม่ปฏิบัติธมก็รู้สึกมันมันไม่มีความทุกข์อะไรมันก็บางทีมันก็สนุกสนานมีความสุขไปซะอีกอ่านะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีความสุขไปนะแต่ตรงนี้ผู้เจ้าก็บอกว่า ที่ท่านแสดงทาให้พระภิกษุฟังแบอบกว่ารูความภิกษุทั้งหลายอผู้ใดที่เพิดเพลินอ่ไปในรูปรสกลิ่นเสียงผดทพธรรมลมพวกนั้นที่ว่าเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในความทุกข์เราเกล่าวว่าพวกนั้นไม่อาจจะพ้นจากความทุกข์ไปได้เนาะอันนี้น่ะเป็นสิ่งที่เราว่าอคนทั่วไปก็จะหลงไหลอไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราวลดเหตุใดนะมันจึงไม่พ้นจากความทุกข์นะก็เพราะมันเป็นความทุกข์อยู่นั่นเองนะความทุกข <c oughs> ์น่าหละที่ว่าการที่เราหลงไปโดยที่เราไม่รู้เราหลงนะมันก็จะมีอารมณ์ต่างๆตามมา <c oughs> ม, <c oughs> มีความดินดนะีมีความยินร้ายนะชอบใจไม่ชอบใจต่างๆเหล่านี้ตามมาเนาะนี่แหละคือการอนะไหลเขาเ้าไปในเวทนาคือเวทนาก็เป็นความทุกข์นั่นเองนะ แม้ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความทุกข์นะนั่นแหละเขาเรียกว่าสุขเวทนานะ <c oughs> มันเป็นสภาวะที่ไปปรุงแต่งใจนะไม่ให้ใจกลับมาอา่รู้ว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ในใจเรานะใจเราจึงไม่มีความเป็นกลางเป็นปกตินะะคนเรานั่นก็ไหล ท, นะทั้งวันนะในในอายตนะทั้งหกนี่แหละ <c oughs> ทางตาบ้างนะทางหูบ้าง อทางจมูกบ้างอทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างนะโดยเพราะทางใจนะก็เหลไหลทั้งวันนะจนทั้งเมื่อถ้าเรากลับมารู้สึกได้ไหมนะว่าเรากําลังไหลไปนะในรมังต่างเนาะโดยเพราะวาความคิดนี่แหละมันไหลทั้งวันอยู่แล้วนะวันหนึ่งก็คิดมากมายแต่คนกว่ามากก็ไม่รู้ว่ากําลังคิดแล้วก็ไหลเข้าไปในความคิด <c oughs> แล้วก็ไปช่วยเขาคิดอีกต่างหากนะ คิดไปแล้วก็มีไหลเข้าไปในเวทนาอีกนะมีความยินดีบ้างมีความยินร้ายบ้างไม่ได้กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังคิดอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่รู้ทันก็ไหลเข้าไปมีความโกรธก็ไม่รู้นะก็ไหลเข้าไปในความโกรธอีกไม่ได้กลับมาดูว่าขณะนี้ใจมันโกรธนะมีความรักก็ไม่รู้ว่ากำลังรักไม่รู้ว่าขณะนี้ใจกาลังรักเนี่ย มันต้องกลับมาลุยทันมันจะได้แยกมาเห็นว่าเออเราก็เป็นผู้ดูนะดูใจมันโกรธดูใจมันรักมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเมตต์ตนของเรามันเป็นมันเป็นสภาวะที่จิตเขาทํางานไปเช่นนั้นเองนะะตรงนี้ถ้าถ้าเราสามารถกลับมาเห็นได้บ่อยๆมันเราก็เห็นว่าเออมันเป็นสภาวะหนึ่งที่มันแยกออกไปให้เราสามารถสังเกตเห็นได้มันไหลเป็นอารมณ์ต่างๆเนอะ <c oughs> เนีเพราะนั้นคนเรามันก็ <c oughs> ปรุงแต่งไปในอายตนะทั้งหกนี่แหละมันจึงมีแต่ความทุกข์บ้างมีแต่ความสุขบ้างใจก็ไม่เป็นกลางกลางไม่กลับมารู้เท่าทันในขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้เป็นการไปปรุงไปแต่งในใจของเรานะมันไปเกิดภพเกิดชาติตามมาอีกมากมายนะ ครา้ น, นี้โดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะไม่รู้นะก็ไหลเป็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้แหละไปสร้างภพสร้างชาติขึ้นมานะแต่พระเจ้าก็ชี้กลับมาให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะอนอกจากที่ว่า <c oughs> ยืนเดินนั่งนอน <c oughs> แล้วเนี่ย <c oughs> ก็เลยบอกอทรงชี้กลับมาว่าเลี้ยวซ้ายแลี้ขวาเดินหน้าถอยหลังอคู่แขนเหยียดแขนอก้มเงย <c oughs> ทรงตีบอลสังขาติ อุจจระปัสวะดื่มลิ้มกินเคี้ยวต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ว่าขณะไห น, นกำลังทําอะไรอยู่นะก็คือปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเราก็ไม่ไหลเข้าไปในลมต่างๆนะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ <c oughs> อุจจารปัสสวะ <c oughs> เราก็รู้สึกตัวได้นะตรงเนี้ยถ้าเราทําได้ตรงนี้มันจะรู้สึกว่าเออการปฏบัธรรมมันก็ไม่ยากเนาะอ่านะมันก็อาจจะต้องไม่ต้องไปอยู่วัดนะหรือสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ นะเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยู่ที่กายและใจเราเนี่ยแหละเป็นสถานเป็นบัติธรรมนะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอนะอยู่ที่กายและใจของเราเท่านั้นเองอ่านะกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนะมันก็กลับมานะจนจิตมันตั้งมัน่นนะอ่ <c oughs> มันก็จะได้รู้รู้ตัวได้จนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนะ่ใจนะเราไม่ต้องไปบังคับเขาเขาก็สามารถที่จะอยู่กับเราได้นะ ใจก็จะไม่ไหลไปที่อื่นนะถึงไหลก็กลับมาได้เร็วขึ้นนะนี่ก็เรียกว่าจิตมีกําลังนะมีกําลังของสมาธิ <c oughs> ซึ่งเป็นสมาธิที่ถูกต้องเพราะเป็นสมาธิในการที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะจิตจะไม่ไปจมแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไปจมแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งนะอันนั้นะจิตก็ไม่ได้ตั้งมั่นจริงๆนะแต่จิตตั้งมั่นมันสามารถรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริง แล้วก็ไม่ต้องบังคับอะไรเขาเขาก็รู้ของเขาเองนะเขาก็ไม่ไหลไปไกลนะจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะตรงนี้เราเราสามารถที่จะ <c oughs> ไปเดินวิปัสสนาต่อได้เลยนะสามารถที่จะแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจ <c oughs> แยกรูปยักนามนได้นะเราเราเดินแล้วก็เห็นเออมันกายมันก็เดินนะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่เราเดินนะมันก็สามารถที่จะ มองในตรงนี้ได้นะเพราะจิตตั้งมัานก็เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูผู้รู้มันแยกมาระหว่าง <c oughs> สิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งถูกรู้ก็เป็นสิ่งที่ถูกนะความรู้เนี่ยมันมองเห็นนะเป็นจิตที่มันรู้มันก็มองเห็นนะในขณะเดียวกันความคิดที่เกิดขึ้นนะก็มีเป็นสิ่งที่ถูกรู้ <c oughs> มันก็จะมีผู้รู้ที่ไปมองเห็นในสิ่งเหล่านี้มันก็แยกกันนะระหว่างกายและใจ มันก็ไม่ได้เป็นเป็นตัวเป็นตนแบบสมัยก่อนนะก็เห็นกายก็ทํางานไปเห็นใจเขาก็ทํางานไปในที่สุดเราก็เห็นประทายลักษณ์ตามความเป็นจริงอที่ว่าเขามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปะเห็นสภาวะทุกทำทุกอย่างก็มาแล้วก็ไปอไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้นตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งว่าเราสามารถเห็นได้จากติดที่มีความตั้งมั่นนะมันก็จะเห็นรูปเห็นนามทํางานของเขาไปเราก็เป็นผู้ดูนะ นะถ้าเรามาถึงตรงนี้มันก็เริ่มเดินอ่าปัญญาเดินวิปัสสนาได้แล้วนะเห็นมัจจัยลักษณอทางความเป็นจริงนะเห็นจิตที่บังคับบัญชาไม่ได้นะเห็นกายที่ไม่ตัวไม่ตนอนะมีความไม่เที่ยงอ่านะเป็นทุกข์ <c oughs> เป็นนตาได้ไบ่อยๆนะสภ <c oughs> าวะนี้นะถ้าเราเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอ่านะเราก็สามารถที่จะมันก็เรา <c oughs> บางทีเราก็ขึ้นไปบนยอดเขานะ <c oughs> ไปบนยอดเขาเนี่ย แต่ว่าเราก็เห็นเออบนยอดเขามีอะไรบ้างนะรอบๆภูเขาเป็นอย่างไรบ้างเราก็เริ่มจะเห็นความจริงได้หลายๆอย่างแล้วในความที่ว่าไม่ตัวไม่ตนของเรานะในภาวะที่มันอ่าันตรจังทุกขังนัตตานะแล้วเมื่อเราลงจากยอดเขาเราก็ยังจําสภาวะธรรมนั้นได้อยู่นะเออมันเป็นอย่างไรบ้างอสภาวะธรรมบนยอดเขาเป็นอย่างไรนะถึงเราไม่ได้อยู่บนยอดเขาแต่เราก็เข้าใจ <c oughs> ในความเป็นจริงในตรงนั้นนะมันก็ความยึดมั่นถือมั่นในใจเราก็สามารถที่ลดลงไปได้นะความเป็นตัวตนที่เราเคยยึดมาอย่างเหนียวแน่นนับพบกับใช้ไม่ท้วนตรงนี้มันมันก็เริ่มจะเบาเริ่มจะคลายออกไปนะจากการ ย, ยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเพราะเมื่อก่อนนั้น <c oughs> มันมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวตัวเราเนี่ยมันมีเยอะนะใครจะมากระทบ อะไรก็ไม่ได้นะใครจะมาด่ามาว่ามานินทาเราก็ไม่ยอมนะมีความอ่ไม่ยอมให้ตัวเราเนะเป็นผู้ที่ตกต่ำนะมีส่วนได้เสียในตัวตนตลอดนะใครจะมาทบเราไม่ได้นะอ่าแต่ถ้าไปาด่าใครคนอื่นเราก็ไม่เป็นไรนะแต่เมื่ออะไรมากระทบเราก็มีความทุกข์ทันทีนะอ่าแต่ว่าจากการที่มันก็ค่อยๆเข้าใจนั่นแหละมันก็ไม่ได้เข้าใจทีเดียวนะแต่มันก็สามารถที่จะค่อยๆสังเกต กายและใจได้บ่อยๆในการที่ว่ากายและใจเขาทางานได้เองนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกอะเมื่อเขาทํางานได้เองเขาก็าแสดงอความที่ไม่เที่ยงความทุกข์ความที่เราบังคับเขาไม่ได้ให้เราเห็นอยู่เป็นประจํานะการที่เขาเห็นบ่อยๆในะใจก็เริ่มจะเข้าใจนะเข้าใจก็เลยปล่อยจากการยึดติดในตรงนี้นะในสุดแล้วความยึดติดมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเขาก็เห็นเออสภาวะธรรมนะมันก็มาแล้วก็ไปนะ สิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานะความยึดมั่นมาต้ยก่อนก็เลยเบาลงไปด้วยนะมันก็เข้าใจตรงนี้จิตก็เกิดการคลายออกคลนะายออกจากปัญหาคลายออกจากราคะต่างๆนะใจที่มันคลายออกนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราพ้นจากความทุกข์ไปได้ <c oughs> นะเพราะว่าความยึดติดต่างๆนะ่คือการที่มันยึดยึดติดในความเป็นตัวตนนะเมื่อมันจิตมันคลายออกมันก็เลยคลาย จากคว่มนตัวตนไปด้วยน ะ, ะพร้อมกับไข่ทั้งตัณหาราคาต่างๆก็ลดลงไปในตัวนะเป็นสภาวะที่เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ได้น ะ, ะเพราะนั้นความยึดติดต่างๆเราก็จะลดน้อยลงนะเมื่อเราสามารถสังเกตใจเราได้แล้วนะมันก็จะรู้ใจที่มันละเอียดขึ้นนะเมื่อมันกระทบอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงใดๆหรือใจนึกคิดนะก็จะใจมันก็จะขยับ เยื่นไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าใจเรามันนิ่งมันสงบมันจะเป็นผู้ดูมันก็เห็นอาการที่มันเคลื่อนไปของจิตโดยเรารู้อยู่เพราะนั้นมันก็จะไม่ไปปรุงแต่งการที่มันไม่ไมปปรุงแต่งนั่นแะมันก็เป็นการตัดภพชาติไปนในตัวอยู่แล้วจะไปเกิดช่องว่างในใจของเราช่องช่องว่างแล้วก็เห็นเออมันก็สภาวะนั่นแหละมันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อ นะตรงนี้มันก็สามารถที่จะรู้ทันแล้วมันก็ดับดับภบดับชาติได้ได้เร็วขึ้นนะในจิตที่ว่าไปปรุงแต่งต่อไหมนะถ้ามันไม่ปรุงแต่งต่อมันก็ดับภบดับชาติได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยๆนะจิตมันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะมันก็สามารถที่จะเราก็หยุดนะในการที่ตัดภบดัดชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ลดลงหรือมันก็น้อยลงหรือมันจะสามารถดับไปได้ในชาตินี้ ะสิ่งเหล่าเนี้มันมันก็เกิดจากการที่เราอ่าสามารถเจริญสติได้ไหมให้กลับมารู้เน้รู้ตัวได้ไหมใจใจของเรานั้นมันมันว่องไวนะแต่สติมันก็ว่องไวยิ่งกว่านะอ่าถ้ามันไม่ว่องไวมันก็ตามอ่ากิเลสตามใจไม่ทันหรอกนะมันก็สามารถที่จะสังเกตได้นะอ่าแต่เราก็ไม่อาจที่จะไปควบคุมมันได้บ่อยๆนะ การที่เราไม่อาจควบคุมมันได้มันก็แสดงความจริงในปัตยรักแล้วว่าเราบังคับก็ไม่ได้นะมันจึงว่าเราไม่ต้องมีมความทุกข์กับการประบาดธรรมมากมายนะอะคนที่เจ้าดีนั่นแหละมันจะมีความทุกข์นะ <c oughs> เจ้าดีก็คือเราอหวังว่าเราไปบัตรแล้วมันต้องดีนะดีตามที่เราต้องการเราก็ไปบังคับควบคุมเข้าไว้ <c oughs> ไปทําในสิ่งที่ว่าเราเราไปอ่ต้องการสิ่งใดเราไปทําในสิ่งนั้นนะอันนี้ เขาเรียกเป็นสมถะนะไปบังคับควบคุมอไปกดดันเขาไว้นะอเขาไม่ดีทําให้เขาดีนะเขาฟุ้งซ่านทําให้เขาหายฟุ้งซ่านเขาโกรธทาให้เขาหายโกรธต่างๆเหล่านี้เนาะเนี่ยไปไปการบังคับเขาแล้วเราก็จะไม่เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์ว่าเราบังคับเขาไม่ได้หรอกะแล้วเราก็จะมีความทุกข์จากการบิดเบือนธรรมนะเอมันเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็มีความทุกข์ เมื่อได้ตามเราต้องการก็มีความทุกข์อีกเพราะมันก็ไม่เที่ยงอีกนะมันก็จึงวนนะการทํามันจึงวนดีมัง่งไม่ดีมัง่งแล้วก็ทุกขนะ์บางครั้งดีแล้วก็ดีใจนะพอไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบใจนะก็วนอยู่เช่นั้นแล้วนั่นแหละแต่เราเข้าใจในปฏิรักษ์ก็คือเราเรารู้ตามความเป็นจริงนะไม่ได้แบบบังคับเขา <c oughs> รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีก็ไม่เป็นไรนะนะเขาจะดีแล้วก็ดูว่าเออมันก็ดีนะเราก็ไม่ได้ไปดีใจอะไรเขามันก็แสดง บางอย่างเราเห็นเท่านั้นเองนะหรือเขาไม่ดีวันนี้ก็ไม่ดีเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีก็ไม่เป็นไรอ่เพราะเขาแสดงความจริงบางอย่างให้เราเห็นเท่านั้นเองนะเราก็ไม่ได้ไปยินร้ายอะไรกับเขาเพราะว่าจิตมันเข้าใจแล้วว่าตรงเนี้ยเราบังคับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแสดงพระไตรลักษณ์ในความไม่เที่ยบเป็นทุกข์เป็นน่าตายเราเห็นนะมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะมันก็มันก็จึงไม่ไม่ทุกข์จากการกระทํำ นะมันก็ไม่เป็นไรสิ่งใดที่แสดงมาเนะี่ยคือความจริงต่างหากนะ <c oughs> มันจะโกรธก็ได้นะมันโกรธก็โกรธไปนะมันโกรธก็ของเขาเองมันโกรธของก็เองไม่ใช่เราโกรธนะในเมื่อใจไม่ยังเราแล้วก็คือใจมันก็ทํางานเองมันก็โกรธของเขาเองไม่ใช่เราเป็ น, ะนเรื่ อ, อ, อ ง, องของเขาเไม่ใช่เรานะจิตมันก็วางได้ขึ้นมาเขาจะคิดก็คิดไปไม่ใช่เราเป็นะปเรื่องของจิตที่เขาคิดไปนะเขาจะรักเขาจะชังก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดไม่ใช่เรา เพงความบกพร่องทั้งหลายก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรา <c oughs> เราก็เป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูไม่มีส่วนได้เสียในตรงนั้นนะมันก็เราดูละคร <c oughs> ก็ไม่มีส่วนได้เสียในละครนะแต่เมื่อใดที่เราเริ่มสังเกตว่าเออเราเริ่มมีส่วนได้เสียในสิ่งต่างแล้วนะั่นแหละอันเนี้ยแสดงว่าเราก็ยังหลงเข้าไปยึดติดในความเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันสําหรับผู้ที่เข้าใจในระยะแรกๆนะ <c oughs> มันยังมีตัวตนอยู่นะในตรงที่เราเป็นส่วนได้เสียอยู่นะแต่เราสังเกตได้บ่อยมากขึ้นมันก็เริ่มจะเบาลงอ่าก็จะเป็นกลางมากขึ้นนะกับสภาวธรรมต่างๆเนาะนะตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึงที่ว่าเราก็สามารถที่จะสังเกตแล้วก็สามารถเข้าถึงได้จุดที่ว่าเราจะมีความสังเกตได้ไหมเป็นผู้ดูได้จริงๆริงไหมนะไม่มีส่วนได้เสียได้ไหมนะเพราะฉการที่เรามาปฏิธรรมก็คือเราเราเดินไปในหนทาง ที่เจริญสติกันนะเป็นหนทางที่มันไม่ไมยากมันง่ายนะก็มันอยู่ในชิตประจำันเราก็ทําไดนะ้แล้วหลังนั้นก็รู้ไปตามความเป็นจริงของกายและใจด้วยจิตตั้งมันนะ่นแล้วก็เห็นสภาวะความเป็นกลางที่ใจนะเข้าไปเห็นความยินดียร้ายโดยที่ไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นเองนะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีหรือสิ่งที่ดีมันก็เป็นแค่ปรากฏขึ้นมาปรากฏการซึ่งมีค่าเสมอกันในภรรยารัก นะไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีก็มีค่าเสมอกัร น, นะไม่มีอะไรต่างกันเลยในพระไตรลักษณ์เพราะมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเสมอกัร น, นะเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ดูเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะอาความทุกข์ได้ไม่ยากเนาะในท้ายที่สุดนี้ขอข อ, ขอรัตนาบารมีคุณพระรันาตานตรัยน้อมน้ำทุกท่านนะจเจริญด้ศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วผ่านทท่านเทอญ